Thank mm -hmm. you. อยู่ในกุฏิบางคนก็อาจจะชอบฝนไม่ได้ตกมานานแล้วนะเกือบ2อาทิตย์แล้วตกมาก็จะทําให้ป่ามันฟื้นตัวที่ปลูกต้นไม้เอาไว้นะมันก็จะได้ละมันก็จะได้ติดแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบทําให้เดินมาทําวัดลําบากแต่ตอนนี้ฝนมันก็พรำพรำ คนที่เคยชอบว่าเออมันจะทำให้ป่ามันจะเลยงอกงามนะก็อาจจะไม่ชอบแล้วเพราะว่ามันตกน้อยไปแต่ถ้ามันตกหนักกว่านี้นะก็อาจจะไม่ชอบอีกเพราะว่าเสียงมันจะดังอาจจะกระทบกับสังกษีเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็อาจจะไม่ชอบว่าถ้าฝนตกหนักกว่านี้ออกไปบินธบาทลำบาก หรือว่าพอออกไม่ออกที่ลาศีลก็จะกลับบ้านได้ลาบากใจบางคนก็อาจจะชอบก็ได้ฝนตกหนักๆแบบนี้เออดีไม่ต้องไปบินะบาตมันหนักฝนตกอย่างเดียวกันนะแต่ว่าใจเรามันก็มีความรู้สึกต่างกันแม้แต่คนคนเดียวกันต่างเวลากันมันก็รู้สึกไม่เหมือนกันบางทีฝนตกหนักๆ มันไม่ใช่แค่รู้สึกธรรมดามันก็จะบน่นอาจจะโทษฟ้าโทษฝนว่าเมื่อไหรจะหยุดสักทีเมื่อไรจะหยุดสักทีแบบนี้แหละนะที่มันเป็นโอกาสที่จะให้เรากลับมาดูใจของเจ้าของฝนตกทั้งทีให้มันมีประโยชน์คือให้มาดูใจเจ้าของเวลาฝนตกหนักๆดูใจเจ้าของว่าเสียงมันมาหยุดที่หูของเรา หรือว่าเสียงมันทะลุมาถึงใจเลยบางทีเนี่ยเสียงมันไม่ได้แค่มาหยุดที่หูแต่มันมาทะลุถึงใจทำให้ใจเป็นทุกข์อันนี้ถ้าถ้าหัดดูหัดเบิง่งมันก็ได้ประโยชน์นะว่าโอ้นี่เราปล่อยให้เสียงมันทะลุมาถึงใจใจก็เลยเป็นทุกข์ถ้าเสียงมันมาหยุดแค่แค่หูได้ยินที่หูอย่างเดียวแล้วก็ผ่านเลยไปมันก็ไม่เป็นทุกข์ แต่พอปล่อยให้เสียงมันทะลุมาถึงใจใจก็เป็นทุกข์ทันทีเป็นทุกข์ที่มันไม่ยอมหยุดเป็นทุกข์ที่ฝนตกเสียงดังจะไปไหนมาไหนลำบากให้เราเห็นให้เรารู้นะใจที่มันขึ้นมันลงใจที่มันบนเป็นเพราะฝนแต่ว่าถ้าเราไปรับรู้แต่สิ่งที่มันอยู่นอกตัวลืมหัอกลับมาดูใจของเจ้าของ มันก็บ่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ใหชาวพุทธนี่นะต้องเป็นผู้ฉลาดไม่ใช่แค่รู้ข้างนอกอย่างเดียวต้องรู้ข้างในด้วยเรามีตาเรามีหูก็รู้ว่าฝนตกแต่เราก็มีใจสำหรับเอาไปรู้เวลาความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหรือก็บ่นตีโพยตีภาย อันนี้แหละเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในอย่าไปทรงจิตออกไปรับรู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกนี่มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเอาไว้รับรู้อยู่แล้วสิ่งที่มันไม่ค่อยได้รับรู้กันก็คือเรื่องข้างในก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของถ้าไ ม, ไม่มีอะไรไปรับรู้ความรู้สึกนึกคิดข้างใน มันก็อาจจะลุกเป็นไฟแล้วก็เผาผลาญใจเราได้เพราะถ้าเราไม่ไปรับรู้หรือรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดข้างในมันก็จะเอาแต่บน่นเอาแต่โทษสิ่งนอกตัวสิ่งภายนอกโทษฝนฟ้าว่าทำไมไม่หยุดตกหรือว่าโทษว่าทำไมมันไม่ตกให้หนักกว่านี้ไรนาจะได้ฟื้นตัวขึ้นมา เอาแต่โทษเอาแต่บ่นข้างนอกเอาแต่เรียกร้องฝนฟ้าแต่ว่าลืมเรียกร้องลืมเบิกใจเจ้าของว่าทําไมไม่หยุดปนสักทีทําไมต้องไปทุกข์กับฝนฟ้ามันด้วยเราชอบเรียกร้องข้างนอกนะเรียกร้องรัฐบาลเรียกร้องอาบาตอนะเรียกร้องคนในบ้านเรียกร้องลูกให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ เรียกร้องให้น้ำมันมันราคาถูกลงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาเรียกร้องจิตใจเจ้าของว่าเมื่อไหร่จะหยุดบน่นสักทีเมื่อไหร่จะเลิกทุกข์กับสิ่งภายนอกเราชอบเอาความสุขความทุกของเราไปแขวนไว้กับคนรอบตัวไปแขวนไว้กับคนน้นคนนี้ไปแขวนไว้กับภอาทิตย์ดวงจันทร์หรือเมฆหมอก แต่ว่าลืมที่จะดูจิตดูใจหรือดูแลจิตใจเจ้าของและถ้าให้ดีเนี่ยฝนตกทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้<ม>เช่นเอาไว้สอนทมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเรือนที่มุงไว้ไม่ดีฝนย่อมรั่วลดฉันใดใจที่ไม่ได้ฝึกไว้ดีแล้วนะกิเลสมันก็ย่อมรั่วลดฉันนั้นฝนตกมาก็ดูใจก็เออนี่เรายัางโชคดีนะ มีศาลาที่สร้างไว้อย่างดีฝนก็ไม่ตกมาล่วนซึมไหลให้ต้องเปียกแล้วใจเราละ่ะเป็นเหมือนศาลานี้หรือเปล่าที่มันมีการรักษาดูแลอย่างดีไม่ให้ความทุกข์ไม่ให้กิเลสมันล่วไหลฝนตกก็ถือเป็นเวลาเป็นโอกาสนะที่จะมามองเข้ามาใส่ตัว ให้เห็นทาให้เข้าใจธรรมะอันนี้เรื่องโอปะนญิโกธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอะไรที่เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นนะถ้าหากน้อมเข้ามาใส่ตัวไฟไหมนะไฟไหมก็ดีพระสาวกบางท่านเห็นไฟไหมไฟไหมป่าแรงมากมันก็มองเข้ามาใส่ตัวว่าโอ้ไฟกิเลสมันร้ายกว่าไฟป่าอีกด้วย ไฟกิเลมันร้ายแรงกว่าไฟป่ามากนะับท่านก็ทำให้เกิดความตื่นตัวเห็นโทษภัยของกิเลสบางทีท่านเห็นพยับแดดเดินทุ่ดงเห็นพยับแดดเป็นไอแดดขึ้นมากลางถนนท่านก็ไม่ได้มองเท่านั้นแต่มองเข้ามาที่ตัวเราตัวท่านเองว่าชีวิตของเรามันก็เหมือนกับพยับแดดคือว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มันหลอกลวง พยับแดดนี่มันหลอกเราเหมือนกับว่ามันมีเมฆเหมือนก็มันมีน้ำอยู่ข้างหน้าแต่เข้าไปดูใกล้ๆมันก็ไม่เห็นอะไรไอตัวตนมันก็หลอกเราชีวิตมันก็หลอกเราว่ามีตัวมีตนแต่ตัวตนจริงๆมันก็เป็นมายาเป็นของหลอกนะเหมือนกับพยับแดดนอกจากมันจะไม่เที่ยงมันก็ยังไม่มีตัวมีตนแต่เราหลงไปยึดถือเพราะเราไปคิดว่ามันมีจริง ท่านมองแบบนี้ท่านก็ได้ประโยชน์เราชอบพูธนี่ต้องเป็นผู้ฉลาดนะในการที่จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเพื่อเข้ามาสอนใจเจ้าของมองข้างนอกแล้วก็มาดูใจดูใจเสร็จแล้วก็เอาข้างนอกนี่แหละมาสอนใจด้วยให้มันได้ทั้งสองอย่างคือดูใจด้วยสอนใจด้วยเห็นใครต่อใครเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นคนชรา ก็ให้รู้ว่านั่นแหละเขากาลังสอนธรรมะ ก, กับเรามีคนชั่วเนี่ยเขาตกไปลงนรกตายไปแล้วก็ลงนรกยมพบาลก็ถามว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนนั้นก็บอกไม่เคยเห็นเทวทูตยมพบาลก็ถามว่าเคยเห็นเด็กไหมเคยเด็กนั่นแหละคือเทวทูตเจ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่รู้เดียงสา เมื่อเห็นเด็กแล้วนี่เคยคิดไหมว่าจะต้องทำความดีเจ้าเคยเห็นคนป่วยไหมเคยนั่นแหละเทวทูตเมื่อเห็นคนป่วยแล้วเนี่ยเจ้าเคยมีความคิดไหมว่าจะทำความดีทั้งกายวาจาใจเพราะว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องป่วยเจ้าเห็นคนแก่ไหมเห็นนั่นแหละเทวทูตละ เห็นเทวทูตแล้วเจ้าเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่และเจ้าคิดจะทำความดีบ้างไหมทั้งกายวาจาใจยมพบาลก็จะถามอย่างนี้แหละรวมทั้งถามว่าเห็นคนตายไหมเห็นนั่นแหละเทวทูตแหละเจ้าเห็นแล้วนี่เคยนึกไหมว่าจะต้องตายแล้วคิดจะทำความดีบ้างหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจก็าถามว่าแม้ทั้งว่าเห็นคนที่ทำผิดแล้วก็ถูกลงโทษเจ้าเคยเห็นไหม เห็นนั่นแหละเทวทูตและเจ้าเห็นแล้วเจ้าเคยคิดไหมว่าเมื่อทำผิดแล้วก็จะต้องถูกลงโทษและคิดจะทำความดีบ้างหรือเปล่าทั้งกายวาจาใจโนะยมประบาลจะถามอย่างนี้พวกเราก็ก็ต้องเตรียมเหมือนกันเนอะเกิดลงไปโยมประบาลถามพเพื่อจะตอบได้ว่าเคยเห็นเทวทูต น, นะโยมประบาลก็จะถามว่าเทวทูตเห็นยังไงก็อบอกเห็นคนเกิด เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพวกนี้แหละเทวทูตเทวทูตคืออะไรก็คือว่าเป็นผู้ที่นําข่าวสารมาบอกเราพู้ง่ายๆคือเป็นผู้ที่สอนธรรมะแก่เราเทวทูตพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทัศน์ก็เจอเทวทูตมาแล้วออกจากปราสาทรัชวังกับฉันนะก็ไปเห็นเนี่ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นแล้วนะก็ทําให้เกิดความปรองสังเวชว่า มนุษย์เรามันหมุนเวียนอยู่ในความทุกข์ทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่เราส่วนเมื่อกี้เนี่ยทำจะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อันนี้เป็นคําอุทานของเจ้าชาสิท ธ, ธัตะเมื่อเห็นเทวทูตเทวทูตที่ไหนก็เทวทูตที่เห็นบนท้องถนนนี่แหละสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือครูสอนทำมากกับเราฝนก็ดีนะ ต้นไม้ก็ดีเด็กคนแก่คนเจ็บคนตายก็ดีพวกนี้แหละนะคือเทวทูตที่สอนธรรมะ ก, กับเรานะถ้าเราเห็นไม่มีสติมันก็เห็นผ่านๆแต่ถ้ามีสติโอ้มันก็สอนธรรมะ ก, กับเราเจอคนด่าเราอันนี้ก็สอนธรรมะ ก, กับเราเนอะอยจะไปมัวตะโกรธ อย่าเป็นมม่แต่โมโหเวลาใครด่าเราเขาก็สอนธรรมะกับเราว่าเออนาะคนเราเวลามันโมโหมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้าตามันเหมือนยักษ์เหมือนมารเลยเนะก็สอนใจแล้วว่าทีหลังเราอย่าไปเป็นแบบเขาแต่ถ้าเราไม่สอนใจเราก็จะไปโกรธตามแล้วเราก็จะเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกับเขาาจารพุทธทาสบอกว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบมันมีภาษิตนะหมาเห่าอย่าเห่าตอบ อาจารย์ผู้เฒ่าบอกว่าหมาเหา่ายาเห่าตอบเพราะจะเป็นการเพิ่มหมาอีกหนึ่งตัวไอตัวนั่นคืออะไรตัวนั่นคือเรานั่นแหละเวลาใครด่าเราถ้าหากว่าอดกลั้นความโกรธไม่อยู่ก็มองว่าเออเขาเป็นหมานะแล้วเราอย่าไปเป็นหมาด้วยแต่เราจะเป็นหมาทันทีเลยเมื่อเราไปด่าตอบนะคนที่ด่าเรานะอย่าไปนึกว่าโอ้เราซวยที่ถูกดา่าให้นึกว่าเขาก็สอนธรรมะ ก, กับเรา สอนธรรมะให้เราเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เตือนสติไม่ให้เราปล่อยให้ความโกรธมาครองใจจนกระทั่งเรากลายเป็นยักษ์เป็นมาหรือกลายเป็นหมาไปด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นถ้ารู้จักมองรู้จักใช้แล้วเราสวดมนต์เนี่ยบทธรรมะคารวะคาถาก็จะมีตอนหนึ่งบอกว่าทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วยอมนำสุขมาให้ตนทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วอันนี้เนี่ย มันหมายทั้งว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมกุศลธรรมถ้าประพฤติก็ดีอันนี้มันแน่นอนแต่อกุศลธรรมถ้ามาใช้ให้ถูกต้องก็นำสุขมาให้นะทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วยอมนำสุขมาให้ตนเวลาคนเราเนี่ยมันมีเกิดความโลภเนี่ยความโลภมันก็มีประโยชน์ถ้าใช้ให้เป็นอย่างเช่นในญี่ปุ่นนี่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเก่งในเรื่องการวาด ด้วยผู้กันจีนแต่ท่านก็มีเมตตาตคนก็อยากจะเรียนอยากเรียนผู้กันจีนจากท่านแต่ก็มีคนหนึ่งที่มันเป็นคนโลภอยากได้ประโยชน์จากาประโยชน์จากพระไม่สนใจธรรมะท่านก็บอกว่านี่ถ้าแกเขียนผู้กันจีนนะเขียนตัวอักษร น, นะตัวหนึ่งก็จะให้เงินเขียนตัวหนึ่งก็จะให้เงินคนนั้นมันโลภมันก็เลยเขียน เขีนใหญ่เลยเพราะมันอยากจะได้เงินตัวนึงก็ได้เงินแล้วนะแต่พอเขียนไปเขียนไปใจก็เริ่มสงบใจก็เริ่มสงบเป็นสมาธิพอใจเป็นสงบมีสมาธินะไอ้ความโลภมันก็หายไปจิตเป็นกุศลขึ้นมาตอนหลังก็เลยมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์นี้จากคนที่เคยเป็นคนโลภไม่สนใจธรรมะก็มาสนใจธรรมะพ้เริ่มต้นจากความโลภหลวงพ่อท่านก็ฉลาดก็ ใช้ความโลภนี่แหละดึงเจ้าคนนี้แหละให้เข้ามาสนใจธรรมะได้มันก็เหมือนกับลูกของอนาถปิิกเศรษฐีอนาถปิฎกที่เป็นพระอริยบุคคลแต่สอนลูกไม่ได้ลูกไม่สนใจธรรมะอนาถปิิกก็เลยจ้างลูกให้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลูกก็ไปไปด้วยความโลภไปแล้วก็ไม่ฟังนะไปแล้วก็ไปแค่โผๆเข้าไปยุดเหยียบที่วัดก็กลับมา บอกพ่อว่าไปวัดมาแล้วพ่อก็เลยต้องมีเงื่อนไขว่าต้องฟังแล้วมาเล่าว่าได้ฟังอะไรบ้างจะให้เงินเพิ่มลูกมีความโลภก็ยอมไม่ไปเที่ยวแต่ก่อนก็ไปเที่ยวก็แต่ว่าพอพ่อแบบนี้ก็เลยโลภก็ไปเข้าไปในวัดแล้วก็พยายามตั้งใจฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่ว่าผู้จานี่ก็รู้ว่า คนนี้นี่มันไม่ได้ตั้งใจฟังทำก็เลยใช้อิเทเล็กก็ได้ก็คือทําให้เด็กคนนี้ฟังเท่าไหร่ก็จําไม่ได้ฟังเท่าไหร่มันก็จําไม่ได้ก็เลยต้องใส่ใจฟังเลยต้องเพิ่มความตั้งใจฟังเข้าไปพอเพิ่มความตั้งใจฟังเข้าไปก็รู้ทำทันทีเลยนะรู้ทำพอรู้ทำแล้วกลับไปบ้านพ่อให้เงินลูกบอกไม่เอาเงินแล้ว เพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังจากผู้เจ้ามันมีค่ามากกว่าอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความโลภของลูกเนี่ยชักนําให้ลูกเนี่ยเข้าหาธรรมะจนกระทั่งละทิ้งความโลภได้อันนี้มันก็มีคำํำคำหนึที่บางเกก็เรียกว่าเนี่ยเรียกว่าประพฤติปลูกในสิ่งที่ผิดทําถูกในสิ่งที่ผิดนะเคยได้ยินบอทาถูกในสิ่งที่ผิดก็คือว่ามันโลภมันทําด้วยความโลภอันนี้คือ เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าทําไปทําไมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถูก ข, ขึ้นมาทําด้วยความโลภสุดท้ายก็กลับมาสนใจมีศรัทธาในธรรมะทิ้งความโลภไปได้หรืออย่างพนันทานเนี่ยบวชแล้วก็ปฏิบัติเพราะอยากจะเจอนางฟ้าเห็นนางฟ้าสวยงามสวยกว่าเมียของตัวเอ ง, งที่เพิ่งแต่งงานแต่งงา น, นยังไม่ทันจะอยู่ด้วยกันเลยพรพัพผู้เจ้าก็ชวนบวชสละบวชแล้วก็นึกถึงเมียซึ่งสวยมาก ชูบดู ป, ป น, นันธาสวยมากแต่ว่ายังไม่ทันได้เชยชมเลยต้องมาบวชพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยเนรมิตรให้ป น, นันธานี่เห็นเทวดานางเทพธิดาสวยงามต้อง500 500ยรูปก็เกิดความหลงไหลลืมเมียเลยนะหลงไหลอยากจะได้นางเทพธิดาก็เลยถามว่าทำไงถึงจะได้นางเทพธิดาพรุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าต้องบําเพ็ญปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนามากๆ อันนี้ก็จะทำใหญ่เลยทําไปทํามาปพราะว่าถูกเพื่อนล้อว่ารับจ้า ง, างาาเพื่เจ้ามามาบวชก็เลยอายหลบไปหลีกเลี่ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจและข่าวนี้เพราะว่ากลัวเสียหน้าเพราะกูอับอายอิเลียเหมือนกันนะแต่ก็ทําให้บรรลุธรรมได้อันนี้เรียกว่าทําถูกในสิ่งที่ผิดทําถูกในสิ่งที่ผิดคือทําสิ่งที่ผิดแล้วแต่ว่าทําไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นถูกขึ้นมา คนเราเวลาทำผิดอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีถ้าเพียงแค่เอามาเปิดเผยแสดงมันก็กลายเป็นถูกขึ้นมาได้นะคนเราทำผิดเนี่ยแล้วก็มาเปิดเผยมาแสดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำถูกในสิ่งที่ผิดได้เหมือนกันในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่านะก็เลยเป็นชาดกมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะถูกงูพิษกัดตายพ่อแม่ก็เสียใจมากอยากจะขอให้ฟื้น ไม่รู้จะทำอย่างไงก็เลยทําสิ่งที่เรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยานี่หมายถึงว่าการเอาความจริงมามาพูดมาเปิดเผยหรือการเอาความจริงที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะขอให้ให้อานุภาพแห่งธรรมเนี่ยได้ดบนบรรดาลเช่นโดบนบรรดาลให้ลูกชายฟื้นขึ้นมาหรือให้รอดพ้นจากอันตราย ชาวพุทธเรานี่เราไม่ได้จะไม่มีการบนบานสารกล่าวจะไม่มีการอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยแต่ยังมากที่สุดก็คือการอ้างเอาความดีในตัวหรือความจริงที่มีอยู่เพื่อให้ค้วคลาดจากอันตรายอย่างเช่นในกรณีนี้นะลูกถูกงู ก, กัดนะร้อนไปรื้อทำไงยูกยาก็ไม่มีพ่อเนี่ยก็เลยอ้างความจริงพูดถึงความจริงว่า เมื่อเวลามีแขกมามีสมณชีพามามีพระมาที่บ้านตัวเองนั้นก็ไม่เคยพอใจไม่เคยเต็มใจเที่จะต้อนรับแต่ว่าก็ต้องทําเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ก็ทําเช่นนี้มาตลอดแล้วก็บอกว่าด้วยอํานาจแห่งความจริง mm hmm. เช่นนี้ขอให้ลูกได้ปลอดภัยแม่ก็บอกเหมือนกันนะว่าตั้งแต่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้คือ ผัวเนี่ยนะก็มองว่าผัวนี่เหมือนกับสารพิษคือไม่เคยชอบเลยไม่เคยนึกรักเลยแต่ก็อยู่ด้วยกันมาเพื่อมนตาแห่งความจริงนี้ก็ขอให้ลูกเนี่ยพ้นจากอันตรายแล้วก็มีพรามอีกท่านหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์พรามนี่คือพระพุทธเจ้าในอนาคตก็บอกว่าเมื่อเราประพฤติพรหมจรรมามีความสุขเพียงแค่เจวันเท่านั้นเองหลังจากนั้น50ปี ไม่เคยมีความสุขเลยด้วยอำนาจแห่งความจริงนี้นะขอให้เด็กคนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าสัจจกริยาของทั้งสามคนนี้แรงมากนะก็ทาให้ลูกชายเด็กคนนี้นี่ฟื้นขึ้นมาได้จากงูฐพิษอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีในพระเตวิโดกที่บอกว่าอำนาจแห่งความจริงมันก็มีมีอนุภาพอันนี้ชาวาพุทธเราเนี่ยถ้าจะอ้าง อีกเนี่ยก็จะไม่อ้างเทวดานะแต่จะอ้างความจริงหรืออ้างความดีกขอขอให้ความดีได้แสดงธรรมได้แสดงอานุกภาพออกมาอันนี้เรื่องนี้เนี่ยทุกคนเลยก็เอาความไม่ดีของตัวเองมาพูดเอาความผิดพลาดของตัวเองมาพูดแต่เป็นการพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพื่ออะไรแต่เพื่อที่จะกระทําสัจจ ก, กิริยาเพื่อช่วยเด็กอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาถูกในสิ่งที่ผิดได้ มันก็มีอีกตนข้ามนะคือการทําผิดในสิ่งที่ถูกอันนี้ต้องระวังทําผิดในสิ่งที่ถูกหมายความว่าไงเป็นรักษาศีลรักษาศีลแต่เพื่ออวดคนโน้นคนนี้ว่าฉันเคร่งหรือว่าทําบุญให้ทานการทําบุญให้ทานนี่ก็เป็นของดีแต่ว่าเป็นการทําเพื่อต้องการเอาหน้าหรือว่าถือศีลกินเจแล้วก็อวดว่าฉันประเสริฐกว่าคนอื่นนะฉันกินเจฉันก็ประเสริฐคนกินเนื้อ อันนี้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกคือทำความดีแต่ว่ามันกลายเป็นโทษไปเพราะไม่รู้จักว่าให้ทานเพื่ออะไรไม่รู้จักว่ารักษาศีลเพื่ออะไรมันก็เลยกลายเป็นผิดไปหรือว่ามีศรัทธานในศาสนามากแต่ว่าไปไปมากลายเป็นการคลั่งศาสนาแล้วใครที่นับถือศาสนาที่ต่างจากตัวก็เห็นเป็นศัตรู บางทีก็ฆ่าก็มีที่เกิดสงครามาศาสนาเนี่ยฆ่ากันตายทั้งนั่งที่าศาสนาไม่ได้สอนให้ฆ่าคนอื่นนะแต่ว่าศรัทธาในาศาสนามาจงกระทั้งไปฆ่าคนอื่นตายกันเยอะแยะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกคือาศาสนามีไว้เพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ใช่เพื่อไปทำล้ายคนอื่นนะเดี๋ยวนี้เราเจอเยอะทำผิดในสิ่งที่ถูกโดยเพราะคนที่ศรัทธาหรือว่า ที่เชื่อในเรื่องของบุญกุศลนักปฏิบัติธรรมผู้ที่เคร่งาศาสนาจะทำผิดในสิ่งที่ถูกเยอะแ้วเราเนี่ยพยายามเลี่ยงถึงแม้ว่าถ้าจะให้ดีก็ทำถูกในสิ่งที่ผิดดีกว่าคือทาอะไรที่ผิดไปแล้วแต่ว่าทำให้มันมันถูกซนะเพียงแค่ทำผิดอะไรแล้ ว, ลวรู้ว่ามันผิดไปแค่นี้ก็ถูกแล้วล่ะทำผิดไปโอ้ไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนใจเจ้าของมันบอกเองว่ามันผิดนะ ก็ยอมรับผิดทำเท่านี้แหละมันก็กลายเป็นถูกแล้วแต่บางคนเนี่ยผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแก้ตัวถึงแม้ไม่มีใครรู้ก็แก้ตัวข้างในอันนี้เรียกว่ามันก็ผิดไปไม่หยุดสักทีใอ้เวลาเราทำผิดแล้วก็ตามเนี่ยนะเพียงแค่เรายอมรับกับตัวเองว่ามันผิดอันนี้มันก็กลายเป็นถูกแล้วเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าผิดมันก็จะได้เริ่มต้นให้มันถูกได้พวกเรานี่ก็พยายามนะ จะไปทำผิดในสิ่งที่ถูกนะสำจสิงดีงานมันก็จะไปหลงตัวลืมตนมันจะกลายเป็นการทำผิดในสิ่งที่ถูกไปให้ทำถูกในสิ่งที่ผิดจะดีกว่าเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดเพียงแค่รู้ว่ามันโกรธมันเกลียดแค่นี้มันก็ถูกแล้วนะนอกปฏิบัติทาเวลาเจอความโกรธความเกลียดไม่ชอบอยากจะไปกดไปบีบไปบังคับมันเพราะว่าติดดี เขคิดว่านักปฏิบัติธรรมมันต้องไม่มีความโกรธนะเวลามีความอิจฉาก็นักปฏิบัติธรรมก็ทุกว่าตัวเองนี่ไม่ควรจะมีความอิจฉาก็ไปกดไปบีบมันเอาไว้ก็กลับเป็นยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้จะเรียกก็ได้เหมือนกันว่าเป็นการทําผิดในสิ่งที่ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันโกรธมันอิจฉาก็เห็นมันเฉยๆก็ยอมรับววันนี้คือมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของใจมันมี จิตเป็นอกุศลมันมีจิตลามกก็เห็นมันเห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นมันเฉยๆเออดูมันอย่างนี้ก็เรียกว่าทําถูกในสิ่งที่ผิดได้คือมันไม่น่าเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันวางใจเป็นกลางชะอย่างนี้เรียกว่าทําถูกในสิ่งที่ผิดทําแล้วก็ดีนะเพราะว่ามันก็ทําให้สติก็งอกงามแล้วก็จะอาจจะเป็นวิปัสสนาไปได้เพราะว่าโกรธก็ดีเกลีย ก, ยก็ดีชาก็ดีมันก็แสดงทําให้เราเหมือนกัน ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันคิดในทางที่ดีมันก็ทำไม่ได้ให้เราดูใจอย่างนี้แหละอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเห็นมันย้อนกลับมาดูที่ใจล้วนแต่ดีทั้งนั้น